อ่านหนังสือคำรับหนังสือหรือคำบอกด้วยปากเปล่าที่อาจารย์กําหนดให้นําไปท่องให้จําและไปว่าให้อาจารย์ฟังเพื่อตรวจสอบความจําแล้วรับข้อกําหนดใหม่ไปท่องอีกหรือสอนให้ว่าจำกล่าวละท่อนเป็นต้นในเวลากลางคืนเป็นประจำตะบันไฟคือของอย่างหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายกระบอกมีรูเล็กๆมีไม้กระทุ้งเพื่อให้เกิดไฟในนั้นด้วยอำนาจที่กระแทกลูกตะบันเข้าในกระบอกด้วยความเร็วที่ทางปักใต้เรียกว่าไฟตบตังหรือต่างภาชนะสารสำหรับบรรทุกสิ่งของมีคานพาดไว้บนหลังสัตว์พาหนะมีวัวและลาเป็นต้นให้ห้อยลงมาทั้งสองข้าง ถ้าบรรทุกโคเรียกว่าโคตงังถ้าบรรทุกลาเรียกว่าลาตางังถ้าบรรทุกไปขายผู้เป็นเจ้าของถูกเรียกว่าพ่อค้าตางังตําหนักที่พทมเป็นราชาศัพท์แปลว่าเรือนที่นอนติกกาปาจิตติอาบัตินิสักิยาปาจิตติ ภิกษุต้องพระขอจีวอนต่อข้ารือหัสผู้ที่ไม่ใช่ญาติด้วยอาการสามอย่างคือ 1. รู้ว่าไม่ใช่ญาติก็ขอ 2. แคลงอยู่ก็ขอสาสำคัญว่าเป็นญาติก็ขอติจิวระอวิปปวาสเขตไม่อยู่ปราศจากไตรจีวอนหรือเขตที่ภิกษุ อยู่ล่วงราตรีโดยมีตรายจีวอนอยู่กับตัวไม่ครบ